พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่21สอ็ดสุตตันตปิฎกอังคุตรานิกายจะตกกันนิบาทตติยะปัญ น, นาฏหมด 3. วดห้าสิบที่สามวัฏที่หนึ่งชื่อ ว, ล า, า ว, อวลาหกวัคหรือวลาหกวัคว่าด้วยฝนทรงแสดงเรื่องฝนสี่อย่างคือหนึ่งคำรามแต่ไม่ตกได้แก่บุคคลผู้พูดแต่ไม่ทำ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 ร้ายเทียบด้วยรุกรานหรือทำให้หวาดกลัวโคของตนและของผู้อื่นเทียบด้วยบริษัทของตนหรือของผู้อื่นทรงแสดงต้นไม้สี่อย่างคือไม้กะพีมีไม้กะพีเป็นบริวารไม้กะพีมีไม้แก่นเป็นบริวารไม้แก่นมีไม้กะพีเป็นบริวารไม้แก่นมีไม้แก่นเป็นบริวาร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 ก็เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทรงสแสดงม้าอาชาในที่ดีสีประเภทคือ 1. เห็นเงาปะตักก็สํานึตตน2ถูกปะตักแทงถึงขุ้มขนจึงสํานึตตน 3. ถูกปะตักแทงถึงหนังจึงสัานึกตน 4. ถูกปะตักแทงถึงกระดูกจึงสํานึตตน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 ทรงแสดงฐานะสี่คือ1ฐานะที่ไม่น่าพอใจทําเข้าก็เป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์ 2. ฐานะที่ไม่น่าพอใจแต่ทําเข้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ 3. ฐานะที่น่าพอใจแต่ทําเข้าเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์ 4. ฐานะที่น่าพอใจทั้งทําเข้าก็เป็นไปเพื่อประโยชน์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 ทรงแสดงเรื่องสถานที่ควรสังเวทแต่ก็ควรดูของกุลบุตรผู้มีศรัทธาสถานที่ควรสังเวทสี่แห่งคือที่ซึ่งพระตถาคตประสูตรตรัสรู้แสดงธรรมจักคือแสดงธรรมะครั้งแรกและสถานที่บริณิพานส่งแสดงเรื่องภัยหรือสิ่งที่น่ากลัวสี่อย่างคือความเกิดความแก่ความเจ็บไข้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 เป็นมีพระดำรัสแล้วตรัสเปรียบพระอานนท์ว่าเป็นเช่นนั้นวักที่สชื่อปุคละวักว่าด้วยบุคคลทรงแสดงบุคคลสี่ประเภทตามคุณธรรมคือพระสกะทธาคามี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 ผู้มีปฏิาพาณเปลืองประาดแต่ไม่สมควรผู้มีปฏิาพานสมควรด้วยเปลืองประาดด้วยผู้ไม่มีปฏิาพานทั้งไม่สมควรทั้งไม่เปลืองประาดคำว่าปฏิาพานที่ลงท้ายด้วยนอหนูและปฏิาพานที่ลงท้ายด้วยนอเนนมีความหมายต่างกันปฏิาพานที่ลงท้ายด้วยนอหนูหมายถึงเชาวปัญญาส่วนปฏิาพาณที่ลงท้ายด้วยนเนน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 มีทั้งศีลสมาธิปัญญาเป็นใหญ่บุคคลสี่ประเภทคือผู้มีกายหลีกออกแต่มีจิตไม่หลีกออก 2. ผู้มีกายไม่หลีกออกแต่มีจิตหลีกออก 3. ผู้มีกายและจิตไม่หลีกออก 4. ผู้มีกายและจิตหลีกออก บ here, 2> 2. ุคคลสี่ประเภทนี้คือผู้แสดงธรรมพูดน้อยพูดไม่มีประโยชน์บริษัทก็ไม่ฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ 2. ผู้แสดงธรรมพูดน้อยแต่พูดมีประโยชน์บริษัทก็ฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ 3. ผู้แสดงธรรมพูดมากพูดไม่มีประโยชน์บริษัทก็ไม่ฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ส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 ส่งแสดงการสีคือการฟังตามการการสนทนาธรรมตามการการสงบระงับหรือการทมสมถะตามการการเห็นแจ้งหรือวิปัสสนาตามการแล้วส่งแสดงว่าเมื่ออบรมสีอย่างนี้ให้ดีแล้วก็จะทําให้อาสวะสิ้นไปได้โดยลาดับส่งแสดงว่าจีทุจริตสีคือพูดปด พูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อกับวจีสุจริตสี่คือพูดจริงพูดไม่ส่อเสียดพูดละเอียดอ่อนพูดมีคติทรงแสดงสาระสี่คือสาระอันได้แก่ศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติหรือความหลุดพ้น